9. ปณีตะโพชนะสิกขาบท 92. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ออกปากขอโพชนะอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉัพพักขีถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุจัพัคคีออกปาขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันในปณีตะโภชนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐาน